ในกุตการนิกาอิติวุติกะกรรมอื่นที่ชื่อว่าจะมีโทษมากกว่ามิจฉาทิฐิไม่มีสมดังที่ตรัสไว้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่พิจารณาเห็นธรรมะอย่างอื่นที่เป็นธรรมอย่างเอกที่มีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฐินี้เลยดูกรภิกษุทั้งหลายโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฐิเป็นอย่างยิ่ง ทำไมมันเป็นอย่างนั้นครับก็อยู่ที่วิธีการแสดงะนะถ้าแสดงในลักษณ ะ, ะโทษก็ต้องบอกมิจฉาทิฐีมีโทษมากแต่ถ้าบอกว่าในบรรดาเครื่องปกปิดเครื่องกลางกั้นก็ต้องอวิชาเนี่ยเป็นเครื่องกลางกั้นแต่ถ้าเป็นดาเครื่องดักสัตว์ทั้งหมดเนี่ยตันหานี่เป็นเครื่องดักที่สุดอันก็อยู่ที่การตั้งตั้งตั้งเขาขึ้นแต่ที่ไหนมีทิฐิที่นั่นมีอวิชาไหม มีนะที่ไหนมีทิฐิที่นั่นมีโลภะไหมมีนั่นแหละมันก็เป็นอันยะมัญญะปัจจัยอยู่ตรงนั้นแหละเป็นสหาชาตปัจจัยเกิดร่วมกันสรุปบาปหมดเลยนั่นแหละอันบาปอากุศลเหล่านี้ถ้าหากว่าเห็นโทษจริงๆเราก็สามารถที่จะเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้อันการเจริญกุศลธรรมการศึกษาพระธรรมคาสอน เราคิดธรรมะง่ายๆก็ได้นะแบ่งธรรมะให้แบ่งไว้แค่สี่กลุ่มพอธรรมะพุทธเจ้านะแบ่งออกแค่สี่กลุ่มพอก็คือทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคก็ได้หรือจะตั้งอีกกลุ่มหนึ่งว่ากุศลอกุศลและอัพยากตะธรรมก็ได้อ่าถ้าตั้งในลักษณะนี้เราสามารถที่จะดึงมาพิจารณาในชีวิตของเราได้มากขึ้น เช่นถ้าเราพิจารณาในแง่ของอกุศลบอกว่ามีโทษให้ผลเป็นความทุกข์ถ้าเป็นกุศลไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขมีสุขเป็นกําไรเป็นความฉลาดของจิตถ้าเป็นอัพยากตะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยควรทํำยังไงกับอภยกระตะอัพยากตะนั้นควรเรียนรู้อย่างเดียว พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เจริญอัพยากตะแต่สัตว์ทั้งหลายสแสวงหาอัพยากตะถ้าเราแบ่งชีวิตนกะุศลอกุศลอัพยากตะเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆส่วนใหญ่ต้องการอัพยากตะธรรมบางคนต้องการรูปบางคนต้องการเสียงบางคนต้องการทวิปัญจาวิญญาณอันส่วนหนึ่งก็ต้องการพวกเหล่านี้เป็นอัพยากตะธรรมหมดเลย แต่ที่นี้ส่วนที่ไม่เห็นโทษเลยก็คืออกุศลส่วนที่ไม่ค่อยเห็นคุณเลยก็คือกุศลนะพยายามสังเกตดูว่าในขณะที่เราเห็นตลอดเลยเอาเรื่องเห็นเห็นตลอดเลยเราคิดไหนส่วนไหนเป็นกุศลส่วนไหนเป็นอกุศลส่วนไหนเป็นอพยกตะถ้าหากว่าสีที่เห็นทั้งหมดเป็นอัพยากตะ จิตเห็นยังเป็นอัพยากตะเลยเข้ามาลึกอีกตาก็ยังเป็นอพยากตะถ้าโดยวิธีนะจกขูวิญญาณสามปติชนะสันติรนะณะโวธาภนะสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นอัพยากตะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ทาอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยนอกจากรอบรู้อย่างเดียวกำหนดรู้อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นอกุศลพระองค์ไม่เคยสรรเสริญเลยนะอย่าดูถูกว่ามันเล็กน้อยว่าจะไม่มีผล เหมือนกับไฟนี่อย่าไปดูถูกว่ามันเล็กนะว่าจะไม่เผาบ้านได้ใช่ไหมงูเหา่าหรืองูพิษอสรพิษทั้งหลายแหละเนี่ยอย่าไปดูถูกแม่ตัวมันนิดเดียวบาปอากุศลก็เหมือนกันมีอยู่ครั้งหนึ่งพระราหุลเนี่ยเดินติดตามพระผู้มีพระภาคโอ้พระพุทธเจ้านี่งามจังเลยมีประกอบไปด้วยมหาตริศลักษณะเราก็งามเหมือนกันเหมือนกับเรือใหญ่ที่มันสัมภารทองใหญ่ห้อยท้ายด้วยสัมภารทองอันเล็ก โอ้ยตามช่างงามจริงๆเนะพระพุทธเจ้าบอกเรียกพระราหุลมาแล้วก็สอนธรรมะพระราหุลไม่ไปบินทบาทเลยวันนะั้นนั่งขัดสมาธิพระพุทธเจ้าไม่ปล่อยให้บาปอากุศล น, นั้นเกิดขึ้นต่อไปพระองค์นี่เรียกพระราหุลแล้วแสดงธรรมให้ฟังตรงนั้นเลยนั่นแหละรู้ใจพระพุทธเจ้านี่รู้ใจใครคิดยังไงพระองค์เนี่ยรู้แต่ถ้ามีประโยชน์พระองค์ก็เอามาแสดงถ้าไม่มีประโยชน์พระองค์ก็ไม่เอามาแสดง อันอกุศลเนี่ยพระองค์สอนให้เห็นโทษโดยประการต่างๆแต่ถ้ากุศลเนี่ยพระองค์เนี่ยสอนให้พอกพูนแม้แต่เล็กน้อยพระองค์ก็ยกย่องนะเคยได้ยินนะเศรษฐีพิลาปะเศรษฐีตีนแมวเขาบอกงั้นคือเขามีคนไปบอกบุญเรี่ยไรยอ่ะแกก็บอกว่านึกถึงคนเรียรย่ยไรเอ้คือคนเรี่ยไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้ฟังเทศเรื่องว่าถ้าหาว่าคนบางคนทํากุศล แล้วชักชวนคนอื่นด้วยตัวเองเนี่ยจะได้รวยด้วยนะคือให้ทานเองแล้วก็ชักชวนคนอื่นการให้ทานเองก็เป็นเหตุให้มีโภคามากถ้าชักชวนคนอื่นก็มีบริวารก็คือมีญาติเป็นต้นเน่ยเยอะบางคนก็ไม่ชักชวนใครเลยก็แต่ก็ทำเองประเภทนี้คือว่ามีโภคาเยอะแต่ไรญ า, าติไม่ค่อยมีบริวารบางคนเนี่ยชักชวนแต่คนอื่นแต่ตัวเองก็ไม่ค่อยทา อันนี้ก็มีแต่บริวารแต่ว่าตัวเองเนี่ยจนเขาว่างไงอันคนในลักษณะนี้มีอยู่ในโลกบุรุษคนนี้เข้าฟังเทศอย่างนี้เข้าก็อยากได้ทั้งทรัพย์ด้วยอยากได้บริวารด้วยก็เลยนิมนต์พระเยอะเลยก็เที่ยวชวนคนอื่นเขาทาบุญกันนี่เศรษฐีนี่ฟังอะไรโกรธเล ย, เลยบ้าถ้าก็น่าจะรู้กําลังตัวเองทําได้เท่าไหร่ก็น่าจะนิมนต์เท่านั้นทำไมต้องนิมนต์มากแล้วไปเที่ยวชักชวนคนอื่นเสร็จแล้วไอจะไม่ให้เลยเดี๋ยวเขาว่าเอาก็เลยเอา สหยิบมือเนี่ยไปหยิบข้าวสารวางนะไปหยิบงาน้ํำพึ่งก็ตะแคงให้มันหยดไปสักหยดหนึ่งก็พอละนั่นแหละแล้วก็เขาเลยเรียกว่าเศรษฐีเท้าแมว่างนันตะหนี้ขนาดนั้นทีนี้ตอนหลังเศรษฐีนี้ก็ให้คนไปสืบดูว่าอาหารที่เราให้ไปเนี่ยเอาไปทํำยังไงนะไปดูสิหัวหน้าอุบาสกคนนั้นก็เอาไปทํำยังไงเขาก็หัวหน้าอุบาสกเอาไปแบ่งไว้ ไปแบ่งเสร็จแล้วเอาอาหารชนิดเนี้ยไปโรยกับอาหารทุกหม้อเลยคือเสร็จคิดจะเสรษยีนี้จะได้บุญเยอะๆใส่น้อยก็จะได้บุญเยอะๆหน่อยเสร็จแล้วเวลาถวายก็ไม่ได้กล่าวว่าคนโน้นให้มากให้น้อยแต่บอกว่าบุญที่ทําทั้งหมดให้ถึงกับทุกท่านที่ร่วมเษถีเนี่ยถ้าเขาวางแผนไว้ถ้าหากว่าชายคนนี้เนี่ยพูดอย่างใดอย่างหนึ่งพลาดทิงถึงเขาเขาจะฆ่าทิ้งเลยอ่าก็เรียกว่าโทรศัพเกิดขนาดนั้นเสร็จแล้ว เห็นว่าบุรุษคนนี้เขามีใจดีจริงๆก็เลยเข้าไปขอโทษเขาก็กาลังคุยกันพระพุทธเจ้าก็เรียกมาถามมาเรื่องไปยังไงก็เล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดพระองค์ก็ตรัสว่าบุญกุศลเนี่ยอย่าไปดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยมแม้แต่ภาชนะภนะาชนะรองน้ําฝนเนี่ยเห็นไหมน้ำตกลงมาทีละหยดทีละหยดมันก็เต็มได้เหมือนกันบุญกุศลที่สะสมทีละเล็กทีละน้อยบุญเหล่านั้นก็สา ม, มารถที่จะเต็มเปี่ยมได้เหมือนกัน ทงก็แสดงสูตรนี้เสถีนั้นก็บรรลุเป็นพระโสดาบาันเหมือนกันนั่นแหละพระนบุญกุศลเหล่านี้เนี่ยแม้แต่เล็กน้อยในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยอย่าดูหมิ่นนะทำยังไงที่จะให้กุศ ล, ลจิตเกิดได้อะะนั้นคนที่สามารถหาวิธีการที่จะคิดให้เป็นกุศลหรือมองแล้วกุศ ล, ลจิตเกิดได้ยินแล้วกุศ ล, ลจิตเกิดเพราะยังไงต้องเห็นต้องได้ยินอยู่แล้วทํายังไงสภาพจิตกุศลจึงจะเกิดขึ้นถ้ากุศลจิตเกิดไม่หนาแ น, น่น เพียงพอกรรมสกตาก็จะไม่ค่อยเกิดถ้ากุศลอยานวิปยุทธยังไม่เกิดจะว่าเลยสัมปยุทธรอให้สัมปยุทธอย่างเดียว <c oughs> เมื่อไหร่จะเกิดสัมปยุทธสักทีหนึ่งถ้าพื้นฐานของคนไม่มีไม่มีความดีในพื้นเพจิตระดับหนึ่งจริงๆเนี่ยปัญญาไม่ค่อยเกิดนะถ้าหากว่าสามารถที่จะคิดอะไรที่มันเป็นกุศลได้บ่อยๆแต่แล้วจิตมันอาจฐานร่าเริงปัญญาก็จะพิจารณากรรมสกตาได้ดี พอปัญญาพิจารณาก ร, รมมรรตาได้ดีมันจะเริ่มชำระกายกรรมเริ่มชำระกายกรรมชำระวะจีกรรมสมมติถ้ากุศลจิตเกิดบ่อยนะมันจะมีประเภทอโทกสัต์อยู่ร่วมด้วยอโทกสั์มันก็จะได้ช่องเลยบอกเอ๊ะที่เราพูดเนี่คนอื่นเขาทุกข์ไหมเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมวจีกรรมก็จะดีขึ้นเอ๊ะเราพูดยังไงให้คนอื่นมีความสุขบ้าง เราก็พูดอยู่แล้วอ่ะทํายังไงเราจะพูดคําสักคํานึงให้เขาฟังแล้วเขาสบายใจเราพูดได้ไหม <c oughs> ใช่ไหมมันก็จะหาวิธีการที่จะทํากุศลไปเอ้เราสามารถพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นเข้าได้ไหมช่วยหยิบช่วยยื่นได้ไหมพันพวกนี้ก็จะเป็นสารานิยธรรมประเภทเมตตากายกรรมจะเกิดขึ้นเมตตาวาจีกรรมก็จะเกิดขึ้นกลายเป็นคําพูดที่พูดด้วยความรักความหวังดีความมีไมตรีจิตจริงๆทีนี้สภาพจิตก็จะมองคนอื่นถึงเขาผิดก็สงสารเขา นั่นแหละถึงเขาผิดจริงๆก็ไม่ว่าร้ายเขานั่นแหละกลับสงสารถ้ากุศลจิตรเราเกิดบ่อยนะคนนี้จิตเข้าเป็นบาปบาปมีผลไหมมีผลถ้าบาปเหล่านี้ให้ผลเขาหน้าสงสารไหมก็หน้าสงสารถ้าคนมีบาปเหล่านี้เนี่ยให้ผลแล้วมาเกิดเป็นลูกหลานเราเราก็ต้องไปเฝ้าไข่คนพวกนี้แหละนั่นแหละเราก็จะเห็นใจเขามากขึ้นสงเคราะห์เขามากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะสงสารตัวเองด้วยมีเมตตาตัวเองด้วยแล้วกุศลจิตก็จะเกิดบ่อย กรรมสกตาก็จะเกิดบ่อยเมื่อกรรมสกตาเกิดบ่อยอย่างนี้เข้ามันเริ่มวิเคราะห์แล้วอะไรเป็นกุศลอกุศลอภพยากตะกิดของอภพยากตะเช่นตาสีจกักขวิญญาณเป็นอภพยากตะรมพันจะเริ่มสาธกะสามประชัญญะเข้ามาแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ได้รับประโยชน์ยังไงบ้างนั่นแหละทีนี้พอรู้ว่าเราได้รับประโยชน์ประโยชน์ในทีนี้เน้นมาที่กุศล เมื่อกุศลและจิตเกิดขึ้นรู้ประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้แล้วใคร่ครวญว่ากุศลเกิดต่อเนื่องไหมถ้าต้องเห็นอย่างเงี้ยกุศลเราสามารถเกิดได้ต่อเนื่องไหมอันนี้เป็นสปายะสามารถที่จะเจริญกุศลต่อเนื่องในอารมณ์นั่นแหละอันนี้อารมณ์นั้นเป็นสปายะทีนี้ถ้าหากว่ากุศลจิตสามารถเกิดต่อเนื่องนะกุศลจิตที่ต่อเนื่องระดับหนึ่งมันจะรู้อัธยาศัยของตัวเองว่าจะบริหารจิต ด้วยธรรมะหมวดใดกุศลจึงจะยาวนานบางคนก็เป็นเมตตาบางคนก็เป็นกรุณาบางคนก็เป็นมุทิตาหรือบางคนก็พิจารณาหมวดธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งอยู่ก็เป็นประเภทโคจรสัมปชัญญะขณะที่เห็นนั่นแหละเแ็่แล้วถ้าโคจรสัมปชัญญะเกิดมากๆมันจะวินิจฉัยในเรื่องความเป็นขันธาตุอายตนะเพราะกุศลจิตมันหน า, นานแน่นมากๆก็จะวินิจฉัยในขันธธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ มันจะเริ่มรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ขึ้นมันก็จะค่อยๆช้ำแรกจากบาปจากอากุศลนั่นแหละอันั้นเราก็มีอยู่อย่างนี้แล้วนะอันั้นพระธรรมก็ท่งสแสดงเอาไว้ทํายังไงกุศลจิตจะเกิดได้บ่อยนั่นแหละหาวิธีการที่จะทําให้กุศลจิตเกิดอันนั้นคนที่ฉลาดคิดเป็นกุศลนั่นแหละจึงรู้จักสาระของชีวิตจริงๆเพราะว่าถ้าเรามองทั้งบนล่างซ้ายขวาทุกแ ง, ง่มุมของชีวิตจริงๆแล้ว สิ่งไหนมีสาระที่สุดนั่นแหละเราต้องการอะไรกันแน่ในในชีวิตเหล่านี้เราต้องการอะไรจากร่างกายอันนี้จากอวัยวะทุกส่วนของสิ่งเหล่านี้ดันั้นการศึกษาประธรมคําสอนทั้งหมดเลยเพื่อให้รู้อะไรน ะ, ะเราก็มาพิจารณาอีกแง่มุมหนึ่งพิการศึกษาประธรมคําสอนทั้งหมดเพื่อให้รู้จักเรื่องของชีวิตของเรานั่นเองหรือว่ารู้จักเรื่องของกายของเรา ดังนการศึกษาพระธรรมคำสอนอ ย, อย่าคิดเรื่องนอกตัวให้มากนะจะห่างคำสอนไปเรื่อยยิ่งคิดเรื่องนอกตัวจะห่างคำสอนไปเรื่อยังั้นคำสอน ส, อนส่วนหนึ่งเราเคยได้ยินคำว่ากายบ่อยไหมคำว่ากายเราจะได้ยินบ่อยกายนี่มีกี่อย่างนะหนึ่งรู ป, ปกายสองนามกายรู ป, ปกายยังแบ่งออกอีกนะรู ป, ปกายก็คือโจปนากายส่วนหนึ่งกับภาษาธากาย โจปนากายก็คือการแสดงออกทางกายกรรมหือีเรียกว่ากายกรรมนั่นเองทางกายยัวารที่แสดงออกมาเรียกว่ากายโจปนักกายและก็ปัสสะากษกายในส่วนท้องกายไอปัสสะทักกายเนี่ยมันสอดแทรกอยู่ทุ ก, ทกเกือบทุกส่วนข อ, ของร่างกายของเราเลยนะไอปัสาธกายเนี่ยเวนแต่เล็บที่มันยื่นพ้นมาแล้วเส้นผมที่พ้นออกนอกศีรษะผิวหนังที่ตายเป็นต้น นะที่ที่อุจระหรือที่อาหารใหม่อาหารเก่าพวกนี้ไม่มีโจประสาธากายแต่โดยส่วนใหญ่แล้วภาษาธากายเนี่ยทราบอยู่ทุกทุกแห่งเลยเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นกายรูปกายทั้งสองอย่างและก็นามกายไอภาษาธากายนั้นเป็นส่วนรับโจบปนกกายก็เป็นส่วนที่แสดงออกนั่นแหละ นั้นเราก็จะศึกษาความจริงของคำว่ากายเหล่านี้กายบางอย่างพระองค์ให้สังวรให้สํารวมเมื่อเราเข้าใจเรื่องของชีวิตของเรามากขึ้นเราจะเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้ามากขึ้นที่แรกเลยอ่านพระไตรปิฎกนะจะเข้าใจยากมากที่สุดเลยเรียงอภิธรรมด้วยยิ่งเข้าใจยากที่มันยากเพราะเราคิดเรื่องที่ไหนก็ไม่รู้นะ กุศลอกุศลก็อู้เข้าใจยากจริงๆโลภโทสะโมหะนี่มันท่องคือท่องจำได้ดีแต่ว่าพูดถึงตรงนี้นะพูดถึงขนาดท่องได้แล้วยังเรียนไม่ค่อยจะเข้าใจที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเราคิดเรื่องนอกตัวเรามากเรามองคนอื่นเขาคิดอะไรเราค่อนข้างจะรู้หมดอะแต่เราคิดอะไรเราไม่ค่อยรู้หรอกนะจนมีหนังสือบางอย่างบอกอยากให้คุณรู้ว่าผมคิดอะไรก็เลยเขียนหนังสือว่าเราคิดอะไรให้คนอื่นอ่นอานใช่ไหม แต่เราคิดอะไรบ้างเรารู้ไหมเคยอ่านความคิดของตัวเองมากมากถ้าเราอ่านความคิดของตัวเองมากมากนะเราจะเริ่มรู้จักโลกของชีวิตของเราพอโลกของส่วนที่เป็นนามกายในส่วนที่เป็นนามกายยังแบ่งเป็นกุศลอกุศลและอพยกตรตะนามกายบางอย่างเป็นฝ่ายเหตุนามกายบางอย่างเป็นฝ่ายผลส่วนที่เป็นเหตุแบ่งออกเป็นสองอย่าง ที่เป็นกุศลและอกุศลส่วนที่เป็นฝ่ายผลฝ่ายดีและไม่ดีอกุศลอย่างไงก็ต้องละอย่างเดียวถ้าเป็นคําสอนของพระผู้มีพระภาคคําสอนพระผู้มีพระภาคนะเป็นธรรมกับเป็นวินยัยวินัยก็คือแปละว่ากําจัดราคะวินัยกําจัดราคะโทสะวินัยกําจัดโทสะโมหะวินัยกําจัดโมหะนั้นเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อละโลภะละโทสะละโมหะ อันถ้าหากว่าเจริญกุศลและทำอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยกิเลสต้องเบาบางอันบาปอากุศลเหล่านี้ก็เหมือนกับความไข้ซึ่งจะอุปมาเรื่องของไตรสารณคมต่อไปถ้าเจริญมายี่สิบปีเนี่ยพฤติกรรมตัวเองไม่มีอะไรดีขึ้นเท่าไหร่ชักสงสยนนัย เ, ททเหมือนกันเนอะจนิญต้องต้องทบทวนเหมือนกันนั่นแหละถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมคาสอนมากๆขึ้น กลับคล้ายๆกับว่ามองพระไตรปิฎกไม่ไม่เคารพขึ้นเลยนะมองคําสอนแล้วความเคารพความยำเกรงลดลงเนี่ยแสดงว่าผิดพลาดแล้วแสดงว่ามีปัญหาแล้วนึกถึงช่วงหนึ่งที่วัดแห่งหนึ่งนะก็มีพระเนนมาเรียนธรรมะกันเยอะเออเรียนไปเรียนมานี่ก็เรียนหลักสูตรชั้นสูงด้วยนะบางอย่างก็เป็นวิชาพิธามวิชาอะไรเหมือนกันเออไป ไ, ปไปมาม า, มากิริยาดูไม่มีห יר, ิริโอตปาอะไรทักอย่าง กลายเป็นว่าเลอะเทอะขึ้นอะไรขึ้นเสร็จแล้วก็บอกว่ามันไม่เที่ยงอาจารย์เขาว่างั้นทำให้แก้วแตกอะไรเรียรเสร็จเขาบอกมันไม่เที่ยงช่วยทำให้นู้นหน่อยสิกุศลไม่เกิดเขาว่าถ้าอย่างนี้ถามว่าผิดพลาดไหมโอ้ผิดพลาดอย่างร้ายแรงมากอันผู้บริหารกลุกวัดเนี่ยนะปรับแผนใหม่เพราะได้แต่ความรู้ไปหนังสือนังหาที่เป็นพระธรรมคำสอนเนี่ยวางเกลื่อนกลาดเรียราา ความเคารพยำเกรงน้อยลงก็แสดงว่าเรียนผิดสูตรและวันก็ต้องมาปรับกันใหม่ทำยังไงถ้าเรียนแล้วต้องเป็นไปเพื่อกุศลเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยนะคนไข้เข้าไปหาแพทย์หลักเลยเข้าไปโรงพยาบาลหลักเพื่อที่ต้องการลดไข้ศึกษาพระธรรมคำสอนก็เหมือนกันเราต้องลดกิเลสลงได้จึงจะเป็นชื่อว่าการศึกษาคาสอนถ้าถ้าหาว่ากิเลสมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแสดงว่า ผิดพลาดแน่นอนความผิดพลาดนั้นหนึ่งอาจจะเกิดจากการตั้งใจผิดสองเกิดจากหลักสูตรสามเกิดจากวิธีการนะเรียกว่าวิธีการนำเสนอนำศึกษาอันเราก็ต้องทบทวนบ่อยๆเหมือนกันอันพระพุทธเจ้าบอกให้ทบทวนวันละสามรอบโดยซ้ำไปถ้ายิ่งศึกษานะครับยิ่งเห็นความสำคัญตัวนี่ยนะยิ่งศึกษายิ่งเห็นความสาคัญตัวนี่นะครับโอ้เนี่ยมันชัดเจนเลยนะยิ่งมีมานะมาก เเราคิดอะไรเนี่ยมาเขียนลงมาเนี่ยนะมันหมายถึงว่าฉันนี่มีความสําคัญมากนะทุกคนต้องมาฟังฉันว่าฉันกําลังคิดอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวนะฮะหรือว่าเรียนเรียนไปแล้วฮีริไม่เมียและโอตา ป, ปะไม่เมียทุกษาก็เหมือนเดิมโลภะก็เหมือนเดิ ม, ม, อ, ดมอีกนีน่น่าคิดเหมือนกันนะครับเจนพานมีอยู่ครั้งหนึ่งไปอยู่ที่ที่แห่งหนึ่งะนะก็ ก็คิดถึงคิดถึงเรื่องกุศลเนี่ยเอ้กุศลนี่ดีนะดีทีนี้ระหว่างพระเนนด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนกันก็คุยโอ้ยไปที่นั้นเนี่ยผมเนี่ยนั่งสมาธิสงบจริงๆเลยเขาว่างัไงก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาทั้งนั้นแหละนั่งคุยสามชั่วโมงเรื่องเก่าทั้งนั้นเลยแต่ว่าไอ้ขณะจิตที่กําลังคุยกันเนี่ยมันโลภมานะะส่วนใหญ่ทนี้ก็เกิดความคิดใหม่ว่าเออ ไอ้กุศลมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นกุศลที่มันเกิดเมื่อวานเมื่อวานเมื่อห ล, ลายเดือนก่อนนี่มันหมดไปแล้วแต่ว่าขณะนี้ดูท่าจะไม่ใช่กุศลนะ